ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรมเทศนาของหลวงพ่อชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงจังหวัดอุ บ, บลราชธานีด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเชิญรับฟังกันได้เลยครับเราจะไม่ต้องประนมมือก็ได้จริงย นี่ก็เป็นวันหนึ่งประกัรสั้ง อ, อกตั้งใจฟังธรรมไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคำมันก็ไปหน้าเหมือนกันแจดงให้เข้าใจในธรรมะอันนั้น อ, อะไรมันเป็นธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะ พูดง่ายๆว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีมันมีธรรมทั้ทงนั้นเรียกว่าธรรมมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนที่เป็นธรรมจิตใจปเป็นธรรมร่างกายปเป็นธรรมกายวาจาทั้งหมดเป็นธรรมดังนั้นมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่ที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่หมวดเป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวก ดีนั you, the the ger, the the so ้นมันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีโคนแต่มันมีรลำต้นแล้วก็มีอหินก้านสาขาต้นไม้ต้นนั้นเกี่ยว่าต้นไม้จะมีจะโคนจะมีรลำต้นมันก็เป็นไปได้จะมีลำต้นหินงาสาขาไม่มีแล้วก็เป็นไปไได้รวมเป็นรลำต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโคน น่ะมีลำต้นน่ะมีกิ่งก้านต้นไม้ทั้งชนนั้นถึงเนี่ยจะดีทั้งสามอย่างก็จริงแต่แค่ว่ามันจะรวมอยู่ที่โคนน ม, มันเป็นหลักไอ้จริงมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโคนเป็นอยู่เนี่ยอาศัยโคนมันเป็นอยู่ ม, มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันจันนั้น มันมีกายมันมีวาจาแสว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบมาบนทุก์นะแต่จิตนันเป็นทุกอันจะมาที่มาอยู่ในวัดนองประโภเนี้นับหลายร้อยลายมากราบหลวงพ่ออิจฉามีเป็นทุกข์ใจ เนี่ยเนี่ยสุขมันก็ทุขใจทุกข์มันก็ทุกขใ์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแต่ความเป็จริงไม่น่าจะมีทุกนะข์นะก็เพราะมันไม่ท่าพุทธเจ้าตรัสสอนเราอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกข์ยอมก็ไปสบายที่จะไปทําอย่างนั้นสิไปทําอย่างนั้นมันทุกข์อืมเราก็อยากอยากจะไปทําอย่างนั้นเนี่ยอืมมันก็ทุกข์ากขารฟังธรรมะ กา ร, รรรการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมานี่ก็เพื่อจะให้คนทุกข์อย่างเราพวกเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้อืมก็เหมือนกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์อืมเพราะว่าทุกข์เท่านั้นเนี่ยเออ ม, มันเป็นสิ่งที่สำคัญอมมันเกิดมาจากเหตุเพรมันคือกิเทั้งหลาย บางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันประจําอยู่ในใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครวันนี้โยมก่อนถามอาจจะมาที่ตอบวัโยมมันในนอนเนื่ยในนี้เรามันเพิ่งเกิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ไราชอบใจมันในทุกข์อนี้เหมือนมะนาวแต่มะนาวดันนี้เนี่ยเอาทิ้งในตรงโน้นเมันเปรี้ยวมั้ยหรือมาถามเสียแล้วเนี่ยเอาทิ้งูตรงนั้น่มันมันมันเปรี้ยวมั มันก็มีเปรี้ยวเราเมาแต่ริ้นเลยดีวมันเปรี้ยวเป็นตรงนี้เองเนี่ยนี่มันจริงใจอยางนั้นใช่หมในปัจจุบันเนี่ยทปนงนี้ไในใจหลายความเปรี้ยวมันนอนเนื่อนอยู่ในมะขามเปียกหรอะในรู้เรื่องแต่จริงๆมันรูกมันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวเนี่ยเอาเอามาแต่ริ้นแล้วก็มันเปรี้ยวอย่างนี้เกิดเดี๋ยวเนี้ยเปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนเราไมนอยู่ที่ัมตัสถุกต้องก็เกิดความไม่ชอบจนเกิดที่เดหรอย่างนี้นะ กิเลสก็ไม่ใช่ว่านอนเรื่องในใจเราหรอนะมันเกิดอย่างนี้นี่เท่านั้นปัจจุบันนาธรร ม, มาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญเหลือเกินเป็นสิ่งที่สําคัญอธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการเรามาทําทานทาบุญทุนทานวันนี้ก็คือมาบํารุงพระพุทธศาสนา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 บุญคือทำเอาบุญนั่นก็ได้ว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทําอะไรก็ไม่ได้มันไม่ปวดทุกข์นะไม่ควดทุกข์ถ้าเรามาบุญกุศลบุญก็คือหามารวมวไว้แบกไว้แบกไว้มันหนักนจะรู้จักทิ้งมันกระทับเราตายนั่นแหละอถ้ามันมีปัญญาจะกระที่มันออกแล้วมันหนัก อย่างนั้นมันก็เบ า, เา น, นี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศล ừ, ทำบุญกุศลเจนนี้ก็เรียกาบารุงพุทธศาสตร์กนหขององค์สมเด็ จ, จพระธรรมเจ้าของเราที่ท่านสานไว้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้า อันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันน่ะไม่รู้ใครเป็นพระพุทธเจ้าดักของท่านท่านผู้สอนให้ประชุมชนรประพฤติชอบโดยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธาศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะดะดูดิเราดูเถอะอืท่านไรู้ใครเป็นท่านยิ่งถ้าท่านกันหมดทั้งนั้นไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่าน ท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบโดยายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธาศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้าไหม น, นี่นี่นใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะเราถึงฟังธรรมกันฟังธรรมเอาความฉลาดแล้วก็เอาความสุข แลาตัดสินาู้จักความสุขนั้นดูจากท้าความสุขนั้นจะเกิดประโยชนเราทําไปเพื่อการจอยวางคือเอาอย่างเดียวมันทุกไม่มีปัญญาเห็นไหมเห็นคนจนไหมจนมันก็ทุกมันทุกแบบคนจนเห็นคนรวยทุกไหมเห็นคนรวยก็ทุกมันทุกแบบคนรวยเห็นเด็กมันทุกไหมเห็นมันทุกแบดเด็กอืม เห็นพ่อแม่ของเด็กทุกมั้งทุกมันทุกแบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้นี่ฉะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าดันไปขี้ให้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกออกจากวัตจัสงสารเสังสารวัฏอันนี้ไม่ใช่ว่าจีงทั้งหลายแล้วมันถูกเรานะเราไปถูกมันอืมบางทีจะฉันคนทุกไม่ได้ครับได้ที่จะเราไม่ทํามัน เรามันไม่ทํามันต้องมาพิจารณาต้องเรียนธรรมะเจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิด่ะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับอมันต้องมีที่เกิดต้อมีแดนเกิดอเท่านั้นอ่ะลองลองดูเยอะทำทั้งหลายมันเกิดต้อเหุนะเมื่อไรโยมเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเนี่มันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาลอยๆแค่นั้นเองเมื่อโยมเมื่อโยมเป็นทุก มันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมน่ะที่มันเกิดมาอืก่อนทุกมันจะลําบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรหน่อคิดหคนนั่นก็ดูถูกเราคนนั่นก็หนีคาเราคนนั่นก็อิจฉาเรานำาร้ำตาเราก็ค่อ ย, ค, อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อซึมออกมานะที่ใช้ก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้ที่ไปก็น้อยใจนำจ้ำตาเราซึมลงมา ขนาดมันทำโทษจนให้หน้าตามันไหลออกยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวที่เดินไปคนเดียวเลี่นึกถึงอารมณ์ที่มันที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีมันยิ้มออกมาจ้ะอย่างเงี้ยอะไรท่านนันเกิดมาจากไหนวด้วยมันยื่นเองมันเนี่ยนี่ยีมันยื่นเองมันหรือเปล่านั่นทำมันเกิดพอเหตุอยู่แล้วออมันเป็นมันเป็นแดนเกิด มันเกิดจากเอกทั้งหลายด้านไม่ใช่มามาเกิดมาเร่อยๆมันเกิดมาเจ๊ยยังงั้นพระองค์จ้ะจั่งที่จั่งไครพวกเราซ้ำๆจากภาพให้เรา ก, ก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเลยเราจีง ท, ทั้งปวงในโลกเนี่ยนะมันจะไม่มีอะไรปรากปวดไมนุษย์ทางหลายทุกยากลําบากนะแต่ว่าเราไปรู้จากมันอย่างก้อนที ก, อนอก้อนนั้นมันตั้งอยู่นั่นเน่ย มันก็ยังหนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมาทุกมันก็ไม่หนักเแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้จะยกมันขึ้นมันหนักทันทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อารมทุกอย่างก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้าเรารู้เรื่องของมันจะไมนไม่มีหน้าจะทุกข์เองก็ไม่มีเหตุจะเกิดทุกข์มันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นเรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอืมถึงมันมันจนมันก็ทุก ถึงมันรวยมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ท่าคนในรู้จักทุกข์แต่พระเจ้าจารสอนมาให้รู้จักทุกข์รู้จักเกิดเกิดของทุกข์รู้จักความหลักทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติเพื่อความหลักทุกข์แต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกข์แต่ว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกข์รู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ถึง ถ้าเรารู้ถึงมันแค่เป็ต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์อย่างเราเห็นต้นเป็นีเป็นต้นตนกึ่งตนเราที่นั่งอันี้เป็นต้นคือต้องเห็นตนกันแล้วนะที่่าเราเห็นต้นเนี่เห็นมีขาฉันมีแขนฉันมีเพื่อนฉันเห็นอยู่ก็ดีกวเห็นอย่างนี้เท่าไหเห็นต้นอืมไอความจริงที่ว่าเห็นตนนั้นไม่ใช่อย่างนี้ ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นวน่าตนนนั้นนี่ใช่ตนเนี่ยเห็นตนอย่างนั้นอันแขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราเท่านั้นเนี่ยอันนี้ประพุทธเจ้าท่านยอมมาเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของจิตออกน่นๆรู้ว่าสิ่งสังหลายนี่นี่ใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแล้วไม่แดกมัน เห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูคิดงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเลยแบบคนรู้จักงูนะไอคนเห็นต น, นนั่นคนนั่นอันนี้คนไม่ใช่คนเห็นตนเนีน่ก็เพราะว่าตนนั่นแหละมันไม่มีจะอะไรมาเห็นมันเนี่ยมันไม่มีตนนี่แต่พระเจ้าส อ, อนหน่อยตนเนี่มันฟังยากเียเป็นนะี่ยมันฟังยาก ไอความเห็นมันกลับกันอย่างนี้อ่ะมันฟังยากดูก็ยากที่แบบคนบ้าคนบ้ากับพระอรหันต์แยกกันไม่ออกมันเหมือนกันนนะอะดูดูสิเพราะมันมันมันมันสูงที่สุดกับมันต่าที่สุดไงไอสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเน่ะมันจะอยู่ต่ำกว่าช่างมันแต่มันอยู่ที่สุดนะมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอ่ะ สองอย่างนี้มารวมกับกันแยกกันไม่ออกเลยนหมือนบะ้นนนากับพระอรหันต์เหมือนกันไปเยอะแต่ว่าบันมีลักษณะเหมือ น, นกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่าง ก, กั น, น, นอพระอดียเจ้าทั้งหลายทั้งถึงที่สุดแวตวท่านเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายทาั้งหมยิ้มในใจบางท่านเท่า น, น, นั้นยิ้ในใจของเราบ้ากับถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกัน ยิ่โดยที่ว่าม่รู้เรื่องไอ้พระอรหันต์เจ้าทั้งยิ่งรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างนั้นใช่ว่ามันสูงที่สุดกับที่แบบมันต่ําที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแหงในปัจจุบันนี้แหนละยังมีงอยู่ออไปกราบบ้าบ้าบอๆกอยู่นัเงี้ยก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อยู่แล้ มันเป็นมาจากขั้นพุทธศาสโน้นมันมีมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราจึงเป็นสอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลไม้ทุกอย่างอย่างแท้จริงฝาระมุดมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันจะยังไงให้รู้จักรู้จักผลไม้รู้จักทั้งหมดเม่อเรารู้จักมาแล้วก็เอาผลไม้ ทั้งหลายตนมารวมตอนนีนจักร้าเดียวกันอืขนั้นเนี้ยอให้นั้นปะปนกันไปหมดยนะังนี้ก็ช่านมาเถอะเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รีบเพราะเราจได้แน่นอนนีมจะไปขี้ว่าไอ้รังสา่ามันเป็นลําไยแล้วก็รู้จักแต่เวลามันเยอะไปกับคนว่าอย่างนั้นแต่วลาเราเฉยรู้เว่าลําไยเป็นมังคุดหรือจะลําไยเป็นรังสา่าเราก็รู้จักนะแต่ไม่ทวง แต่ในทวงอันนี้เสียหรือว่าโลกสมมติอย่างนี้ยเขาก็พูดกันอย่างนั้นในคาสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเขาเสียจิตของพระองค์งแล้วเนี่ยเป็นของปลอมเท่านั้นมันเป็นของปลอมเั่ า, ญญานั้นในคําสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเขาไปเสีจิตของผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันงั้นมันจึงบ้าคนในอย่าง น, น, ม น, งานงนะมันพูดายากเหมือนกันนี้ยอนคาสอนของท่าน มันหน่ไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคนระบุตูกหลานเจียงเจียนามันยากมันปีญานลำบากเหลือคืออยังเรามาทําบุญกันเองอยากจะได้บุญ่ทําบุญแต่ฉันบอกเป็นไข้เป็นโลกไม่ยุดไม่สบายใจโลกจิตต่อกันบุญท่านก็ไปทํำอยู่งนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่เจ็บมันปวดเมื่อคนในอย่างกัน อืแล้วจะทําบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขแต่สุนัขกลายไปเป็นแมวยังงมันคนในอย่างกันอือมันคนในอย่างกันไอ้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งไอ้พระพุทธเจ้ากต่ม่ามันเป็นไปอย่างอืมมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราจะทําบุญให้มันเจ็บมันไข้ไม่ให้มันอะไรต่อไรๆอย่างมันคนในอย่างกัน ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงมีไหวใจมันให้เราผานมันหนีไปสักอย่างนี้เราก็ยังที่ได้อยู่นั่นแหละมันที่ได้ที่ไา้อยู่มันก็ยังไปใหนได้อย่างนี้นอืมอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญคุณทานอย่างนี้นทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ ทำเพื่อไม่มันมีทุกข์ให้มันเบาบรรเทาทุกข์ให้มันค่อยๆหมดไปบรรเทาทุกข์ถ้าทาบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทําบุนด่วยทากุศลและทําร่วยถ้าในเอากุศลและทําก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวมันเนื้อกับปลาเดียมันสดๆถ้าเชื่อเฉยๆมันก็น่าสนใจนะไอ้เชื่อเฉยเป็นอยู่เนื้อดิปลานั้นมีอายุไปนานนะ อืมเขาตูเย็นซะอย่างนี้มันเป็นใจ อ, อย่างนั้นปัญญาเนี่ยท่านจึงว่าว่านัตถิปัญญ า, า, ญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิปัญหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยปัญหาไม่มีคำนี้ยันกันเืยยันกัน ร้อยเปอร์ซ็นเท่ากันเลยตรงเนี้ยก็จริงอย่างนั้นอไอความอยากเนี้ยม่มีจบไม่มีจ บ, จบตัรหาคือความอยากนี่ฉะนั้นแต่พุทเจ้าชี้ว่าการทําก็ทําเถอะอยากให้มันเป็นตัรหาอืกา ร, รกินก็กินเถอะอยากให้มันเป็นตัรหาการดูก็ดูไปเถอะ ย่ายมันเป็นจันหาอยู่ในโลกนี่ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จากโลกอยายมันเจนจันหาเพื่อทาโดยการปล่อ ย, อยวางมันแค่ถ้าไปหยู่ตรงนั้นเนี่ยในชีวิตใช่เหมือว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไปทำไมช้อนเอาไปตับแกงชดก็ไปเนี่ยแกว่าเราใหนนะ้ท า, า, านช้อนเห็นไหมแกเอาช้อนเข้าในปากที่จะจะไม่ทานซ้อนออกทานแจง ทาแล้วก็เกล็ดช้ อ, อนนั่นอะไรอีกถ้ามีคนมาถามว่าเจียดท้อนเนี่ยทำไมเจียดไปทดแกงมั้างคุณกิ น, นท้อนกี่ไปจะมาว่าแล้วว่ากับช่างเขาแต่ความจริงเรารู้จักว่าท้อนไม่ใชของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้ใครจว่าเราเอาช้อนไปสดแกงเท่าไรไม่ทานท้อนเท่าไหรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจน มีอไรด้มยมีการปล่อยวางด้วยใช่ช่องของเราด้วยซึ่งไปหรือขันตักน้ ำ, เ, นน ำ, น ำ, นนำเราเนี่ยโอ่น ง, งน้ำย่างน้ำย่างขันตักน้ำยางสามอย่างชี้กับตัวเราใช่ไหมตรงไหนเราจะต้องดื่มน้ำดื่มน้ำจาต้องเอาขันไปจับแต่ไนมะ่ใช่ว่าเราไปคานขันนะแต่แล้วพอเก็บขันนั้ น, น, นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหล ไอ้ขา ม, มีตะขาบมานันไม่ได้เราไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้าําแต่ก็เจ็บฟ้ายมีคนคนหนึ่งมามาว่าเราอยู่กับไอ้เจ็บขัามมนีเลยไต่บริโภคกันอย่างแล้วก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นจะพูดใจเจ้าจะาอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคําที่ว่าตัวเองคือมิใจตัวนั่นแหละถ้าจะอาศัยตัวเองนี่จริงๆแล้วเนี่ย เรียกมันก็ล้มนะอีกในทีๆมันก็ล้มนะถ้าใช้ตัวอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติซ้อนกันสมมติมันซ้อนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนี่ยครับเรียกว่าต้นอืมตนเพื่ออนไรเป็นภาษาเฉยๆแต่วความเปจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าธรรมารู้ธรรมะให้มันจบสแต่ะไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุทุกเกิดขึ้นมาอะไรมันจะ็นคนละอย่างละอย่างย่ามันไม่เกี่ยวขันกัน จะเราจับเอามาเกี่ยวพันกันใชะเราก็ไปยุ่งกับเขาอื่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่ไอ้คนไปกินสิ่งทั้งหลายไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างเงี้ยมันยุ่งกับเรามันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นเนี่ยนะไอ้ตัวก้อนหินก้อนนั้นมันี่ยมีอะไรแนะมันจะอยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเนี่ยแม้ความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นจเราจะไปยกมันก็หนักเอาสิมันหนักไปมันหนักอย่างเนี้ยหนักกระสุนกมันเนี้ย แค่ตอนมันหนักไว้ไม่มีหนักอ่ะไมมยังไม่เกิดมันไม่เกิดสักนั้นเรอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะหนักตรงที่ว่าเราต้องการจะยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราในใจมันยุ่งกับเราเนี่ยไอ้ความจริงมันฝ่ายเดียวเท่านั้นเนี่ยมันฝ่ายเดียวเท่านั้นอย่างเราใช้ช่วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดอ่ะใครเป็นทุกข์ช่วยที่เราไปทุกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยนะ ไอ้ถ้วยมันก็แจกโดยเฉยๆถ้าไม่มาแจกมันก็เฉยๆอยู่นี่นหละมันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเเนี่ยหไงไอ้คนในอย่างกันแจกอะไรมันถ้วยเราแตกเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพระไธยเจ้ากอกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ยุ่งกับมันมันจะมีอะไรกับเรามันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยงั้นมโยมมีการมีมีจานมากๆมีถ้วยมากๆเนะอยู่ในบ้านก็ต้องกินในอย่างนั้นอืมนะ อแต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บไปดีกลัวมันจะแตกสอนลูกสอนอย่างนั้นอยากจะสอนไหช่างมันจะลูกมันจะแตกเพราะวช่างมันเคยมาใส่ของเราหรอกไม่มีถ้วยใส่แจงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนช่องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจป็นไม่ต้องสอนอย่างนั้นอืมแต่ต้องสอนอย่างนั้นแล้วพวรระวังนะลูกนะเก็บไปดีแล้วมันจะแตกด้วยเนี่ยอืม ดูมันเยอะๆเพื่อแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแจกเพื่อจริงๆนี่แหละล้วจะไม่ตังว่าอะไรมันแต่ว่ามันจะเก็บไปดีด้วยมันระวังไว้ยังงั้นไม่มีไม่มีมันจะชื่อชื่ออะไรมาใช้มันหมดไปนีะคือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทํามุ่งดีในอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่ก็ช่วยอย่างนี้แล้วในว่าหมดแจกไม่มีใครร่างมันหรอกนี่มันจะเรื่องของอย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะฟังธรรมะจะเข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ที่เสียจคานเจ้าเป็นคนฉลาดเจ้าเป็นคนขยนันเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าขยันพูดขยนันจะทำก็ทำโดยการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทํำในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไอ้ทํางานมันก็สบายทำโน้นทํานี่มันก็สบาย ที่มันเป็นสมาธิวะมันก็สบายซึ่งเนี่มันหนักลอยมันก็สบายเพราะโทษตรงนั้นหน่นี้อย่างนี้คิดถืคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันคิดถืนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องอะไรต้องดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันนี้มันเกิดยังไงมั่นอืมที่มันเกิดขึ้นมาเน่ยเรตามรู้ขึ้นยังไงมั่นนะเนี่ย มันมันมันมันเกิดความคิดอย่างหลายหาอย่างนะแกเราอย่างไงก็ช่างมันเถอะแกไอ้ตัวมานะที่เราไปยึดเด่นเป็นตัวที่สาคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะออพระพุทธเจ้ากันว่าแกไปยึดมันแต่ทิฏฐินี้เป็นแปลว่าความเห็นถ้าทิฏฐิในฟังใครมันก็เป็นมานะแค่นั้นไอ้ความเห็นท่านเอาปล่อยวางถ้ามนุษย์เราเาคิดเยอะปล่อยวางเราจอะไร อย่างนี้เป็นต้นมันก็ลาบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างพระพุทธองค์ท่านสอนออย่างคนเรานี่บ่ถ้ามาทำทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตายไม่ได้เกิดเฉียวใจแต่เนี่ยจบใจตัวจะไม่ได้เกิดในความเปจริงที่พระพุทธเจา้าท่านสอนว่าใหญ่มาเจอแต่เนี่ยมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดจกตัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรนี่ยจะมาเลยี่ เราไม่คิดหรไอ้ที่เราทุกทุกวันนี่เพราะเพราเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจะมีทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยชาติทุกชะตาที่ทุกปยาที่ทุกเพราะความเกิดมาอนี่ยแต่ว่ า, าคนเราบางคนน่ะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะขูดจะเกิดแค่ไหนมันก็นขเขาเง่เรากเจะสอนเรามาให้เกิดมันเะป็นใจอย่างนั้นทีนี้ไอ้ความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมา ก็เกิดมาแล้วมาให้เราไม่ให้เราเป็นโรคเป็นภัยเราอยู่สบายอายุให้ยืนยืนมั น, ม, นมันคิดแค่แค่อย่างนั้นไอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเหตุตายที่เหตุเกิดกันแล้วที่มันเกิดมานั้นเนี่ยคือสมัครใจแล้วอย่างเงี้อย่างวัตถุเฉดยังใน ม, มีมาในมือเราเดียวนี้เนี่เราจัดแย่งหาได้มาเป็นตัวประเด็นนี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่เนี่ย ที um, ่มันมีเนี่ยังกระโถนเนี่ยมีถ้าซื้อมาไม่ไงก็แตกแล้วมันแตกถ้าถึงว่ากระโถนแตกแล้วนะจ่เราเห็นว่ากระโถนนี้ไม่แตกนี่ความเห็นต่างกันนะไอ้คนหนึ่งใช้กระโถนไม่แตกคนนึงใช้กระโถนแตกไปด้วยกันเอาทีมันดูดมือรางวัลนึ่งเช่กระโถนนี้มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้พี่ฟูว่ามันแตกมาละวไอ้พี่ยังไม่แตกก็แตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้กันเลยเนี่ยเนี่ยยังงั้นเห็นก่อนก็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 เราจะต้องกับพฤติปฏิบัติภาวนาในเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ่ะแอรพุทธบริษัททางใา ย, ยังไม่เห็นค้องกับประพุติเจ้านะไม่เห็้องนะงเคทศไปกัขัดกันไปที่ใขาดใจอย่างกระจายในเกิดอย่างนี้เนะีะคือมันไม่ให้เกิดมานะ่ะถ้ามันมีแล้วมันมันจะดีนะนะคําสอนของท่านที่ทชื่อสุดตองท่านมานะความคิดไว้ายนะ เป็นผู้เลิศดตัวเขาสำคัญตัวว่าเลือดตัวเขาอันก็ไม่ใช่ไม่ถูกครับเป็นผู้ที่เลิอดตัวเขาเห็นว่าเสมอต่อเขานี่ต้อยยังไม่ถูกอีกเเป็นผู้เลือดตัวเขาสำคัญตัวว่าเลี้วตัเขานี้ก็ไม่ใช่ทีเป็นผู้ที่เลี้ยวตัวเขาสำคัญตัวว่าดีตัวเขาอันนี้ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้เสมอเขานี่สำคัญตัวว่าดีตัวเขานี่ก็ไม่ใช่นะ เป็นผู้เสมอเขาตากันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อยู่เป็นผู้เสมอเขาตากันตัวว่าเลีวยวเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ีเป็นผู้เสี่เลี้ยวเขาตากันตัวว่าดีเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยวเขาตากันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เหลี้ยวเขาตากันตัวว่าเลี้ยวเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรแตนไม่ที่ีตรงไหนที่เราจะเอาไฟไหมนี่แต่เรามาดูถ้ามาดูใช่ เหตุว่าท่านจึงเห็นว่าอันนี้มีอะไรมีไม่มีจะให้มันมีมีให้มันมีไม่มีมีเท่ากับไม่มีอย่างนี้อืมก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดเลยมันหมดมานาเจ้าทั้งหลายจะในที่่มันจะเต็มที่มันจะเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองละอันนี้พูดถึงที่สูงมันนะอืม เวลาพูดสูงสีไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ำจะรวยเนี่ยอันนี้ก็เรื่อมันไม่คนทุกข์คือบุญอย่างนั้นเราจะสร้างบุนไปด้วยกระพิจนาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไปเก็ดทันายมันอีพีมันใช้คล้ายกับอีพีเลขอลยมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันจึงจะได้จํานวนมันจะเราชอบใจตามจํานวนของเลขเห็นไหมอันนี้เราไม่เอางานที่มันอีพีคูณอย่างเดียวไม่มีอีพีใส่กันนี้ไหมล่ะ วิธีคนก็วิธีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยวิธีลบมันมีอ่ะวิธีแดงก็มันก็จะมีใช่ไหมนะถ้ามีวิธีแดงมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบามันมีวิธีบวกก็มีวิธีคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แค่นั้นเองนะมันจก็คือแบบกลับธมาตัวนั่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่มันเป็นไปอย่างนั้นอืออย่างนั้นการกระทําบุญกุศลนี้เห็นมันจะมีสองคำกุศลคือทําไปมีความฉลาดขึ้นอืม มีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอดพรอบได้สิ่งที่เราได้มาเนั้ยให้รู้จักที่หมายครอบครัวของเราเนี้ยรายได้กันมาคอบควเนี้จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี่ให้มันคุ้ ม, มกลับไปบ้านก็สารมาบุญนี่ทีไหนลนมะ่รูเรื่องกันนะไอ้บุญที่ไปกราบพระยายไปกราบพระหลานกับแม่กราไปกราบพระสักที่ไหนสอบหลานดีนะ นะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทําไปทําไปเพื่อทํากันไปดีไปเองอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกบัติอันนี้ยัยมันหลงเหมืนผลทําไม้ในตะกร้าในหลายจะถุกไปช่งมันเถองจะไปเทรวมรวมกันเป็นกองกองเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องคามความจริงจริงไม่หลง มันจะเป็นไปยังไงก็ไม่ลงเหมือนเรารู้จักผลไม้นานาชนิอาระณ์ศึกษาเบี้ยมันจะคัพกันอยู่กับช่างมันเอยเรารู้มันชัเดเจนแล้วผลอะไรตัวใดเรารู้เดาขี้ถูกตรงนั้นเลยถ้าเราเข้าใจในธรรมะสหลักพุทธศาสนาแล้วตัวอย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนกับช่างมันเลยนะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลาไม้ มันจะทับไปอยู่กี่ชั้นก็จังมันเถอะแล้วรั่วพลเงาะเป็นเงาะพลลำไยเป็นลาไยรังส่ามันเป็นรังส่ามันไม่มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไม่ให้ใหล ง, งนีครับไม่หลงถึงแม้ในความดีมาก็ยังไม่หลงดีถึงในความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วยิ่เนี่ยมันรู้ไปถึงขนาดนั้นเฮียเจพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติ ในใจของเจ้าของไอ้ความจริงจริงการประพฤติปฏิบัติไอ้ความรู้อันนี้ไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันจางกันหลายอมันเอาเข้ากันได้มันของบริสุทธิ์เจ้าของในบริสุทธิ์นี่มันเข้ากันได้เออปนกันได้เออไอ้ธรรมะที่มาเกิดมาจากจิตนั่นเนี่ยมันจะแก่าวดืว่าตาน้ ใต้น้ําที่มันซึมทราบมามันแห้งได้มันไหลเพรมันเรียนั้นแต่ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาจะคายน้ำไม่โอหมดน้าฝนแล้วก็แห้งเท่านั้นนี่ก็เป็นอย่างนี้แต่เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยี่ก็ลัวแล้วเอ้ะประคำนี้มันสูงไปแค่ไหนนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปแค่ไหนไม่ค่อยอยากแตพูดกถ้าใครพูดจะคนจะแทงแตะแทงในใจธรรมะ เราไปคู่เก่นกลับไปว่าฉันบรรดุธรรมาแล้วคนตาตริงเลยจริงๆนี่บรรดุธรรมะแต่ความจริงคํานี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันจ่ามหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหใดมาวัดประพงวันนี้ก็บรรดุวัดขอวงประพงวันนี้เอแปลกะไรกันแค่มาถึงวัดหลวงประพงวันนี้ก็ได้รู้วัดหลวงประพงก็ได้ถ้าพูดศาสนาธรรมะเนี่ยวัดบรรดุวัดหลวงประพงศก็ได้นะ ถา เ, า, าเราเดียวก็เรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วแต่ก็รูจ้จักมันแต่เราบรรลุธรรมะก็ได้ถ้าวา ร, ราบรรลุธรรมะจะสุขจใจคนเราแนมะ่เนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันได้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งตอนนั้นเนี่ในความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าที่ธรรมาว่า ใ, ใครเป็นพระพุทธเจ้าไหม ท่านผู้สอนเนี่ยประชุมชนพระพุทชอบดายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้สิเนี่ยเขาว่าดิ้ยใช่เนี่ยดูไปดิเนี่แต่เราก็เดียว่าเมืเ่อฉันเกิดร่องพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วขนาดนี้นี่บอพระพุทธเจ้าองค์นั้นผ่านไปนแล้วนะในความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้า อันนี่ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะอเมื่เห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเเมื่อเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมเราก็เห็นพระสงฆ์อันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเล้ในพระพุทธอยู่ตีใจพระธรรมอยู่ตีใจพระสงฆ์อยู่ตีใจท่ไม่เห็นรัดอันนั้นเราจับทันไหมชาติเฉยๆแต่พระพุทธอยู่ตีใจของข้า พอฉันนีทำอยู่ทีใจของกาศพอสงอยู่ทีใจเ ส, สียแต่การประพุธมันไม่เดียบร้อยนะไม่สมกับประพุธอยู่ทีใจไม่สมกับว่าประทำอยู่ที่ใจประสองอยู่ทีใจใคือจิตมันเป็นคนตจะรู้จักธรรมะตันดีกว่ากูรู้พระพุทธองค์ที่าัจัดไปแล้วนี่ยก็จัดธรรมะองค์ธรรมกตารู้นี่เด็ดกัตถารู้นี่เอาไปแล้วเป็นกระทิ้ง อ, อย่างนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างครูเราเนี่ยครูโรงเรียนเนี่ย ไม่ได้เป็นครูมาแต่กําเนิดแล้วมาเรียนดีชาครูถึงไม่เป็นครูกันเด็กสอนโรงเรียนสิได็เงินรับงเงินเดือนกันับอยู่เป็นนางกเรตายไปสิเรตายไปตายจากครูไปสิถ้าพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ครูนั้นยังไม่ตายนะครูนั้นยังไม่ตายคือคนนุณธรรมที่ทําครูนั้นให้เป็นครูนั้นยังอยู่ อย่างพระพุท ธ, ธเจ้าคนนั้นซัตจะทำที่ทําให้คนคนนั้นเป็นพระพุท ธ, ธเจ้ายังอยู่ไม่ น, นี้ไปที่ไหนจะได้เกิดเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าสององค์ทีนี้องค์หนึ่งก็เลยเป็นรูปองค์หนึ่งก็เลเป็นนามธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุท ธ, ธเจ้าจึงสอนอานน์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนา ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงที่เป็นอยังงฟังยังอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้ามันจับโสนกันแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยั ง, ยงไม่มีเจริญจิตชื่อว่าขนานชื่อฟังท่านมาเป็นพระพุทธเจ้นาก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมมันนี่ท่านนั่นเนี่ แกก่อนก็เป็นทพิธาตัะสะกุมารพรพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรา่เองเนะี่ยเราก็เป็นกระสีกระสากะมีกรรมาอยู่อย่างนันเนี่ยนะถ้เรามานรู้ถึงทำมันแท้จริงแล้วนะมันก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่ น, นเองไม่แย่กันหรอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายัางอยู่นะเข้าใจสักวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายัางอยู่เราทําที่ไหนที่ไหนเจอมันเป็นจัตเจธรรมแล้วเราทําชัว่วที่นี่ ไม่คิดไรวันนี้ใครเห็นจะได้ว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะอท่านยังอยู่ทึงวันนี้ยังพยายามคอยเจ้ประคับประปองพวกเราเดินทางมันถูกจอ้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่รูเรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัตนะิแล้วเนี่ยจะทําความดีความชั่วที่ท่านไม่ได้สงสัยเลยก็ว่าจะมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทําชั่วที่ไหนมันก็มีแล้วทำไมในนี้ไม่มีใครเห็นตัวเรา่ะเดนเราเนะเออนะ ไปทำชั่วที innen, Länder, uh. ่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีละไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราละอย่างนี้ยังงั้นทำชั่วที่ไหนทําดีที่ไหนไม่พ้นก็อยู่กับกรรมมันรู้ตามก็ความจริงนไงคือความจริงเนี่ยในการกระทํามันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าคนมาจัดคาจัดสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงเพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเจนนี้ มันก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่านท่านผู้สอนในประชุมชนเปิดผู้ชอบสไตวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะจงดีใจเถอะอย่าติดแย่ใจเลยบางคนนึกโมโหนะถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ฉันไปแล้วน่เอากันแค่อย่างนั้นนี่ไอความเจริงคือความจริงนั้นมันยังอยู่ ที่าทำไปนี่มันถูกความจริงนี่ติดความจริงก็จะถูกก็ติดของมันอยู่งั้นก็ดีกว่าพระพุทธเจ้าโดยนมามประธรรมอย่างนี้อยู่เอ่อฉะนั้นผู้ประพฤติธปฏิบัติด้านท่านจริงคารลเคารลทำไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะอืมนั่งอยู่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อนหน้านี่เดินก็เหมือนพระเจ้าต่อหน้านี้ไปไม่ได้เนี่นั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านเป็นจริ ง, งขารลบแตพุทธประธรรมประสงค์อยู่ จามั่งเสมอหนึ่งไม่จืดจางอย่างนี้ไม่ได้ครับก็เพราะจะเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้แต่มันไม่หายได้เท่าไหนเห็นอย่างนี้ก็เดียวเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แะนั้นจริงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้า ก, ก็เห็นธรร ม, มะแค่ น, นั้นไปนั่งที่ไหนก็จะประทับของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาแหละเอาสิ เดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมแบบพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมแบบพุทธเจ้าอยู่อันนี้อาจารย์ศีระจะดแปดนี่ยไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นเออแล้ท่านปฏิวัติไปแล้เนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรานั่งมีแต่หลุดต้งจนไม่ก็ฟังธรรมท่านอยู่ใช่นหมนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่อาจารย์คิดไม่ได้เลยคือไม่ใช่ไม่ใช่ของคิดเอา ไม่ใช่ของคิดนะนี่มันมันมันมันกเกิดมาจากความบริสุทธิ์ไอ้ออจำของคท่านเนี่ยจะพิจารณาไงเลยได้อย่างไอ้ความจริงๆคือมันเห็นธรรมะตัวเองนะไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นธรรม ะ, ะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นเราจะมาได้ธรรมะจิตสีนัยธรรมะที่ว่าไม่มีธรรมะน่นมันอย่างเมีเอ้อเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติ มันเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติเพรมันเกิดดับเพราะมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าหาว่าเราจะใช้ธรรมชาติพึกธรรมชาติอันนั้นอย่างกายของเราทุกวันจิตใจของเรามันเป็นธรรมชาติอน่ยมันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันมันแกะจัดก็ใจท่านั้นไงแต่ว่าศาสตร์ช่างหลายเนี่ยมันไม่รูปภาษากันมันเป็นอัพพะภาษาจ้ะสั่งสอนไม่ได้มันกะหมองมันช้าเกินไป นเหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันมันจะหนองมันเร็วมันไวนี่มันไวแต่เรามาพูดอันหนึ่งกันหนึงท่านเพียงแต่เป็นพัพปัสัตว์ควรกับรูปทําได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยอ่ามันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมานี่ครูบาอาจารย์มาสอนนี่มันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ปิระชานี่ อสัตว์ป่ามันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์จากมนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันกาา็หายากนะหายากออคำสอนของพระแต่เนี่จะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ผมคิดยากนะอคิดจะไปถึงหรอกคือคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้การมองมองมนุษย์มันเกิดยากใช่ไหมเกิดทีละสองก็ยังนีด้วย เนแล้วปฏิบัติไปอย่างนั้นนั่นมันยากนี่มนุษย์ที่ไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่งมันยังจะเป็นมนุษย์เอาชื่อธรรมโอลขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยมันเป็นมนุษย์เศรษิจศาาโนอย่างหนึ่งเหมือนกับเศรษฐิจศาสนอย่างนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาไม่คุณธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องของมนุษย์ไม่รู้จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์ เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่คนเราสอนครูบาอาจารย์เราเราค่อยรู้เกินมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมได้เพรมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์เรียกว่ามนุษย์เกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่มันเกิดยากใครจะจีดตามน้องเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ชีวธรรมนี้ใครจะต้องไปปฏิบัติวัดจิตวัดยากมันถูกอยู่ที่วัดจิตวัดยาก เช่งนง่ายง่ายง่ายง่ายเป็นรียนจังห้าประการเลยหินห้าไอที่พวกเราพุทตบริษัททั้งหลายเน่เนแอบําบประทานกันอยู่ทำกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้งนะถ้าใครมีหินห้าในใจของคนของตนทุกๆคนอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องมีอะไรแลังหมดมเดกับทีละธรรม คือในวันนั้นในพ้นทุกข์เป็นต้นก็อยู่ในความสบงบเงับเป็นสมาธิวะในโลกก็ยังไม่เดียดเดียนชึ่นกันในกันเนี้ถึงว่าเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมากอยู่ในความสบายตายอยู่ในความสบายมนันรู้จักอย่างนี้ไม่เดียดเดียนชึ่นกันเลยกันอันนั้นเป็นโลกมนุษย์แท้ๆที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นใจ อ, อย่างนั้นมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์สมบูรณ์ที่คน น่าก้บัตขึ้นมาที่เราศึกษามานี่ก็รเรี๋ยวเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ mm. เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เหมือมนุษย์หายากนะดูที่แไอ้นคนเราจะมีมีสินห้าสินห้าตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีไหมเรากำหนดดูก็ได้ในบ้านเราในเมืองเราในชนบทในกลุ่มเร า, ามีไหม บางคนก็จะตอบว่าไม่มีบางคนเรมีแต่น้อยอย่างงี้อันนี้มันเป็นลรลักฐานแล้วจะมองมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรเรามองดูก็ได้แหละมันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนเลยทีเดียวสี่ห้าประการนี้เนี่ยได้จองมากตรงไม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาสี่ห้าประการให้มีในใจอย่างเฉียงใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักว่าสบายใจสว่างสบายเลื่อนไปข้างหลัง ที่เป็นดีก็จะวายกายเพราะเราไม่ได้ทําอะไรที่ยุ่งเพราะการกระทำบาปต่งางๆนึกไมหมว่าที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มนึกขึ้นมาได้ก็สบายจวนจะจายนึกขึ้นมาได้ก็สบายอกรรมไรที่ทําไปแล้วกายหลังนึกไปมันเดืดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันจิตกรมอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดตะพงนี่นะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หล า, ายคนอยเนี่ย มีคนใดคนหนึ่งใช่ไหมแหมมามาซอยเหรียญพระมาต่อโลงลงไปใช่ไนะสมมติหรอกใครในรู้หรอกรู้คนเดียวจะคนที่ทําะวันนี้ก็มาทอดส ป, ปาด้วยกันก็มามองเห็นเหียงพระหักก็ไม่สบายอยู่นั่นนะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นแหะคนที่รู้จักนนะไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรเพราะทรารู้จะคนที่ทําไม่สบายจะคนที่ทํานี่แหละที่ไอ้กรรมชั่วที่ทําแล้วภายหลังนึกไยเรียด ต, ต้อนกรรมนั้นในดีก็แล้ว หรือเร า, เาสัาธงองค์พระมาถวายในวัดมาผงหรือวัใดใดบัดหนึ่งด้วยศรัทธาของเราเนี่ยเมื่อมาทําบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เค้นของเราที่ไปสร้างไว้ในกับสบายใจแล้ว น, นี่ได้ทำไปนานาะภายหลังคิดไปสุไม่เหยียดอ่อนสบายใจอันนี้อันนี้เราจะรู้เป็นปฏิจจตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทําบุญทุนทานทุกวันนี้สมควรกันขนาดนั้นถึงแม้ว่าบำรุงพุทธศาสนา เป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีนีแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละบางแห่งไปเจอการกระทําบุญทุนทานเนี่ยเปนเปลือกเปลือกกินเปลือกมันก็ดีเหมือนกันนะไอ้ต้นไม้จะไม่มีเปลือกหมมันก็ตายเหมืกันเนี่ยอยไปว่ามันน้อยนะอย่าไปว่ามันน้อยไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อะมันอาศัยสามมิติซึ่งกันและกันนั่นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลหรอมันมีประโยชน์ทุกส่วน ให้เราเข้าใจไปอย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทำบุญกันเสียกับการกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลเพือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยงูค้าทําไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทําแล้วมันได้บุญที่มันได้บุญให้มันได้บุญโดยไปจะถามแบบกลับไปบ้านยังอไม่ไปทอดตาปาไ ป, ปบุญหรือไ่ไอ้กี่ตรงไหนมนันเจอไงก็นั่งขี้แจงกันไปไหนบุญมันจะอย่างนั้นเองนะ นี่คือความพอใจของเราเช่นนี้ที่การกระทำทั้งหลายมันเป็นอุบายแต่อย่างนั้นในการพู้ธมมรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้น<ม>ให้เข้าใจในที่ตรงนั้น<ม>เป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธมมรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่แล้วแกว่ามันมีอยู่จงยกหยีบย ก, ยยกอันเดิมขึ้นมาพิจารณากันเป็นแบบครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะ สมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านี้เจอว่านายกมีที่นั่นจะทําไงแกต้องเอาโชคมาเขียนจ็นตกรก็มีแต่สมมติว่านายกเยมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมุติแค่นายกยิ่งไม่ได้เป็นตกรได้สมมุติว่านายกได้มันมีเงินทขนังก็ได้มีเงินขนี้ก็ได้เป็นนายกโดยสมมุติแต่นายกคนนี้สําเร็จในการสมมุติจะใช้นายกยิ่งไม่ได้ เพราะมันเป็นตัวคอนั่นก็เป็นตัวกอให้เราอยู่นั้นทันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายคอไม้มีต้องเขียนตัวคอลงไปให้มันสําเร็จประโยชน์อย่างนั้นดังนั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราไปฟังไม่ได้บางกันอันปนไปอันนี้คือบกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราบังคัปฏิบัติถ้าเรามีสติมีจิตปัญญาอยู่ตรงไหนก็ะทางมันเติะบางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันเนี่ยมันมีเวลาจะบอกภาวนาทําไมขายของจาก อ, อขาของใชนะ่ไหมไ อ, อ้เรื่องภาวนาโยงขาของโยงไ้หายใจไหมหายไปจากเขาทำไมมีเวลาล่ะถ้า ม, มีโอกาสหายใจทำไมไม่มไหุดลมไว้เนี่ยไอ้การเรี่องภาวานานี่มันจะเรื่องอื่นนี่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดแล้วที่มันจะมานั่งแต่รับาอยู่ในการตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได้ตรงนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี่ยให้รู้จักว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่ เราผุดอยู่ไหมไม่หรือก็ถูกไม่เราถูกไม่หรือทุกข์ไม่เอาเป็นอะไรเป็นอยู่นเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าการภาวนากั่มันรู้เรื่องเหตุผลอย่ังไงเนี่ย <c oughs> เราจะทําอะไรอยู่แล้วก็เภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่เรามีสติอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ <c oughs> ยัไยยยงไงรู้จากความจิดชอบเราอยู่เส ม, มอ น, นั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดจิตหรือเปล่าวันนี้เราทําจิตหรือเปล่าวันนี้เราคิดจิตหรือเปล่าถ้าเรามีสติอยู่แล้วก็จะรู้จากจิต รู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักในความรู้สึกของเรามันอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างงั้นโยมทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติไม้จชมาบวชในวัดอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั้นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแน่ในใจเย็ไไดจับอยู่ได้จะหายของอยู่ ไ, ได้จะเขียนหนังสืออยู่ได้เอ่ม่ก็พระเจ้าใจลมหายใจเรานั่นเองนยปฏิบัติเนี่ย อถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่เราก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ที่ีเราจะทานข้าวก็หายใจเรจะนอนก็หายใจถึงแม้เราไปก็หายใจอยู่ทำไมมีเวลาหายล่ะนี่ยทำไมเนี่ยมีเวลาหายทําไมมันเป็ของจําตอนยิ่เกินเนี่เพราะบาลมินมันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้ที่จะไดาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันจะเป็นอาหารจะได้น่ะไอความจริงลงมันเป็นอาหารอย่างยอด เราจะไม่พานอาหารจะลงสักสองนาทีก็ไม่ไหวไปแล้วนะะออดีเอ๋ขนมขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสามชัวโมงเไม่พานมันก็ได้นะวันบางทีก็ได้เนี่ยหกวันเจอก้าววันก็ยังได้เลยอาหารจะรงนี่ใน่าเนี่ยขนาดนาทีหนึ่งก็เพ็งสี่เลยนะจะไม่ไหวแล้วเนี่ย้ที่อึดใจเลยที่เดินไปที่จะมีกี่เส้นไหมนั่นแหละก็จะออ นะลงเนี่ยมันมีประโยชน์นน อ, ยอย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม่ใหายใจต่อทพิจารนาอนาปานนัตินี้เป็นมงคลกรรมฐานท่านจึงภาวนานั่งกำหนดเจรนาลงเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโทคือรูน้นี้รู้รู้ว่าลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหวโดยลมลมเป็ของตสำกัญมากที่สุดลมเจรนาน อ, อย่างยอดทีเดียวเลยนะ แค่นอนหับย่ไปยังทานอาหารนี่อยู่เสมอน่มานไม่ได้นะนอกจากมันตายแต่แล้วแต่นี่เราก็สนใจโอ้อันนี้ลงนี่นะมันสำคัญเหมือนกันนะเรานั่งกาบนดลมหายใจข้าออกอยู่ไอความรู้สึกนะมันจะหกว่ความรู้สึกเกิดลงนี่นะลมนี่มันสำคัญเด่เกเนี่มันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรอะไรทั้งนั้นเนี่ยดูที่ซ้ามันออกแล้วมันเข้ามาก็ตาย้เนี่ยแต่มันเข้าไปไม่ออกเลก็ตายเลเนี่ยเนี่ย ถ้าเห็นหนึใกล้ๆสมาอย่างนี้นี่ยนันจะึงเป็นของที่มีกําลังส่วอย่างอื่นได้วใ น, นใจในลมแล้ปฏิญญาสำนึกตรงปฏิญานะอชุดเรื่องกลางๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติตระมูลหายใจถอดเสมอไม่มีปัญญาลาอย่างจะดูรวมันเดียวฉะนั้นแหละกันดี่ว่าลมอนาปานสตินี้เป็นมงกุของกรรมฐานทัมม้งหมดเนะี่ยอย่างนั้นก็พวรจะจัดจจเป็นยกมาให้เรายกกรรมฐานที่ลมไ ม, ใ ย, มยใจข้าออก เอาง่ายเพราะว่ามันมีลมทุกคนมาเนี่ยเห็นไหมเนี <c> ่ <oughs> มันมีลมทุกคนก็จะรู้สึกอารมณ์เท่าออ ก, กับจะทำน ốt จบแล้วนะจะนอนก็นอนทำน ốt กระเทือนมีความรู้สึกจิตสมจะดับไปอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของยากลําบากจะรู้จักหันแล้วในนั้ น, นะ ใ, น, หนให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะเนี่ยานศีลภาวนาเรื่องภาวนานเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเรื่อให้เราพ้นทุกข์ อ่ามันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นี่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาออกตรงนันออกมันจบกระปบตรงไหนมันทําตรงนั้นนี่ยมันสะอาดถ้าเราภาวนาเราไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดการภาวนาเนี่ยว่าทําให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องมาใช้การภาวนาซึ่งจะรู้จักธรรมะมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้แหละเอให้ญาติโยมทางไหนเข้าใจเข้าใจการภาวนาการทําบุญชุนทาน ให้รู้จักบุญให้รูจ้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทําอะไรไม่ไ้สงสัยตรงนั้นนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำอะไรรู้จักจกังนั้นนะไม่ได้ทำปลอมๆไปเรอกเนี่ยอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านที่มาวันนี้ก็อยาก่าแสดงบุญกันอยกากจะเพิ่กุศลเข้าแสดงกุศลด้วยอย่ยงางศีลปิการนาอนาปานพระสังฆรรมกรรมฐานในกรรมฐานนี่มันควรทา จะเป็นทางโลกก็จริงจะเป็นทางธรรมก็จริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำมาันนี้ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดหน้าให้ใจใจเราปลอดใจได้าเสมอเราทําไปเราทำไปมันจะเป็นกับจัดจางรู้กับเฉพาะตัวเองแค่นั้นเนี่ยอันนี้เราวันนี้นะอญาติโยมทั้งหลายก็ออได้ฟังธรรมมาพอกสมควรอืมบางทีมันจะจะทู่ไอ้ปลอมเงาหานอนไม่ได้นะ บทนี้ก็มไม่คือปณามานีในที่สุดสุดท้ายขงการบรรยายธรรมะมานี้ขออยา่าจบแต่ลงหลายจนมีกำลังาละคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใ จ, ม, ง จ, ม, งใจมีาสาิริยสติสมาธิให้เกิดสัญญาให้เชื่อการรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศล แล้วไปปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนะนำคำสอนวันนี้คิตของดโยนทั้งหลายเป็นต้นก็จะกรเทือนเป็นจากความมืดหนาสาหดจะเป็นจิตที่องสายอันนี้ไะทำอะไรจะเป็นปัรจตังรู้เฉพาะเจ้ของให้คนที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจคุณตฏิรุธนาจายจึงตกปักรักษาที่ท่านทั้งหลาย ที่มาแสวงวุญนในวันนี้จงเป็นผู้จงให้เป็นผู้มีสุขมีสุขโดยการเดิน็ดีการเดินปดีการนั่ง็ดีการนอน็ดีให้มีสุขมีสุขทุกๆุคนคือขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกนจนจบ ขออนุส่งผลบุญจากการรูวสวดธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวอยู่ตลอดไปปัญหววาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีมีความสุขควเจริญยิ่งขึ้นไปได้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ